หาความรู้จากพระพุทธศาสนาเพื่อให้รู้ว่าพระพุทธศาสนามีประโยชน์กับพวกเราอย่างไรและทําอะไรให้กับเราได้บ้างทําอะไรไม่สามารถทําอะไรให้กับเราได้บ้างพระพุทธศาสนา ไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราต้องการให้กับเราได้เพราะพระพุทธศาสนาเป็นคำสั่งคำสอนเป็นวิชาความรู้ที่จะมาแก้ความโง่เขลาเบาปัญญาของพวกเราที่พาให้พวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดกัน นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธศาสนาจะทำให้กับพวกเราคือให้วิชาความรู้ที่จะมาแก้ความหลงคือโมหะแก้อวิชาความไม่รู้ความจริงของการเวียนว่ายตายเกิดว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร พระพุทธศาสนาไม่สามารถเสกไม่สามารถเป่าให้พวกเราได้สิ่งต่างๆที่พวกเราต้องการกันเช่นต้องการร่าความร่มรวยก็มาขอจากพระพุทธศาสนาต้องการเป็นใหญ่เป็นโตก็มาขอจากพระพุทธศาสนาต้องการหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ก็มาขอจากพระพุทธศาสนาต้องการามีความสุขกับแฟนก็มาขอจากพระพุทธศาสนาต้องการลูกก็มาขอจากพระพุทธศาสนาต้องการที่จะเข้าโรงเรียนดีๆก็มาขอจากพระพุทธศาสนาสิ่งต่างๆเหล่านี้พระพุทธศาสนา ทำให้เราไม่ได้ขอไม่ได้ขอก็ไม่ได้ที่ได้ไม่ใช่เพราะว่าศาสนามอบให้กับเราที่ได้เพราะว่ามันถึงเวลาจะได้มันก็ได้ถึงเวลามันไม่ได้ขอยังไงมันก็ไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะทำความรู้จักทำความเข้าใจไม่เช่นนั้นเราจะ เสียเวลาน่าจะไม่ได้รับประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับและเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าประโยชน์ต่างๆที่เราต้องการประโยชน์ต่างๆที่พวกเราต้องการนี่ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนก้อนหินธรรมดาที่เราเห็นตามข้างถนน ส่วนประโยชน์ที่พระพุทธศาสนาจะให้กับพวกเรานี้เป็นเหมือนเพชรเนินจินดามีคุณค่ามหาศาลยิ่งกว่าก้อนหินที่เราเห็นตามข้างถนนสิ่งต่างๆที่เราอยากได้เช่นลาบยศสารเสริญความสุขจากโลปเสียงเกลนรสต่างๆ คุณค่าของมันประโยชน์ของมันนี่เป็นเหมือนก้อนหินเมื่อมาเปรียบเทียบกับคุณค่าของการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นเหมือนกับเพชรนินจินดาเป็นของที่มีคุณค่ามาหาศาลนี่แหละสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กันเพื่อที่เราจะได้ไม่มาหลง มาเก็บก้อนหินกันเรามาหาเพ้นนินจินดากันดีกว่าแล้วก็ไม่มีใครที่จะบอกวิธีหาเพ้นนินจินดาให้กับเราได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นการเข้าหาพระพุทธศาสนาจึงเป็นเหมือนกับการเข้าโรงเรียนพวกเราเป็นเหมือนนักเรียน เราไม่ได้มาเข้ามาหาพระพุทธศาสนาเพื่อมาข อ, อารับรางวัลต่างๆเราไปโรงเรียนเราไม่ได้ไปขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากโรงเรียนสิ่งเดียวที่เราต้องการจากโรงเรียนก็คือคาสั่งคาสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆที่จะให้ความรู้ในวิชาต่างๆ เ็ื่อที่เราจะได้นำเอาวิชาความรู้ที่เราได้ร่ำเรียนนี้ไปทามาหากินไปเลี้ยงปากเลี้ยงทองถ้าเราไปโรงเรียนเราไม่เรียนหนังสือเราโม่แต่ไปทำอะไรอย่างอื่นการไปโรงเรียนก็จะไม่เกิดประโยชน์เพราะเราจะเรียนไม่จบถึงเวลาสอบเราก็จะสอบตก ฉันใดการที่เราเข้าหาพระพุทธศาสนาก็ฉันนั้นเป็นการมาโรงเรียนเข้าโรงเรียนมาเรียนวิชาทางธรรมวิชาที่จะสอนให้เราหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่พวกเรากำลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่มาเป็นเวลาอันยาวนาน การเวียนว่ายตายเกิดของเรานี้ได้ผ่านมาเป็นจำนวนมากการที่เรามาเกิดมาแก่มาเกิดมาแก่มาเจ็บและมาตายครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายครั้งนี้เป็นครั้งที่แสนล้านขึ้นไปเพราะว่าปริมาณของน้ำตาที่เราได้หลั่งออกมา เวลาที่เรามาเจอความทุกข์ต่างๆนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราเอามารวมกันแล้วมันจะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนี่แหละคือจำนวนของภพชาติของการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเรามีมาเป็นหลายแสนล้านชาติแล้วและจะมีต่อไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด จนกว่าเราจะมาพบโรงเรียนของพระพุทธศาสนาและสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนนี้เมื่อสมัครเรียนแล้วก็ต้องทำหน้าที่ของนักเรียนไปโรงเรียนไปเข้าห้องเรียนไปฟังครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนเสร็จแล้วเวลากลับบ้านก็เอาไปทำการบ้าน ทำให้จดให้จำไม่ให้หลงให้ลืมการเรียนนี้เรียนเพื่อให้จำได้ไม่ให้มันหลงไม่ให้มันลืมเพราะเราจะต้องเอาความรู้ที่เราได้เรียนรู้ได้จำได้นี้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปไม่ว่าจะเป็นการเรียนในทางโลกหรือการเรียนในทางธรรมก็เช่นเดียวกันเราต้องเรียนจากผู้ที่มีความรู้ จากครูจากอาจารย์ต่างๆเมื่อเราได้ความรู้แล้วเราก็ต้องมารักษาความรู้ที่เราได้ด้วยการไปทำการบ้านครูเอาการบ้านให้เรากลับไปทำเพื่อที่จะได้ทำให้เราไม่ลืมถ้าเราเรียนในห้องเรียนแล้วพอเรากลับบ้านเราไม่ไปทำการบ้านสิ่งที่เราเรียนในห้องเรียนเราก็อาจจะลืมได้ แต่ถ้ามีการบ้านมาให้เราทำอยู่เรื่อยๆมันก็จะบังคับให้เราต้องจดต้องจำต้องคิดเกี่ยวกับวิชาความรู้ที่เราได้เรียนมาในห้องเรียนพอเรามาทำการบ้านบ่อยๆเราก็จะจําได้พอเวลาจะสอบเราก็จะสอบได้ทางทมก็แบบเดียวกัน เรามาวัดเราก็มาศึกษาวิชาทางธรรมศึกษาเสร็จแล้วเราก็เอากลับไปทำการบ้านต่อเอาไปคิดต่อว่าวันนี้เรามาเรียนอะไรบ้างครูสอนอะไรบ้างครูให้เราเอาการบ้านไปทำอะไรบ้างเราก็ต้องเอาไปทำกันอพอทำแล้วมันก็จะทำให้มันฝังอยู่ในใจของเรา การกระทานี่แหละเป็นวิธีที่จะปลูกฝังความรู้ต่างๆให้มันอยู่แน่นติดกับในใจของเราถ้าเราไม่ทําเพียงแต่เราฟังเฉยๆเดี๋ยวเราก็ลืมได้เช่นถ้าคนบอกวิธีทํากับข้าวให้เราแต่เราไม่ลองไปทํากับข้าวดูเองเดี๋ยวเราก็ลืมแต่ถ้าเราเอาไปทาเนี่ยเราจะไม่ลืม พอเราจะรู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างและเราได้ทำมาแล้วพอเราได้ทำอะไรมันก็จะจำได้มันก็จะฝังอยู่ในใจของเราความรู้ทางธรรมก็เป็นเช่นนี้การที่เรามาเรียนนี่เป็นขั้นที่หนึ่งของการหาความรู้จากพระพุทธศาสนาเพราะความรู้ของพระพุทธศาสนานี้ไม่มีใครในโลกนี้รู้ นอกจากพระพูทพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะรู้จักวิธีที่จะพาให้พวกเราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่ไม่มีใครรู้จักวิธีนี้ไม่มีใครได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีแต่พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์สาวกเท่านั้นที่ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด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 นี่แหละคือครูอาจารย์ของพวกเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์คำว่าสารณะเป็นที่พึ่งนี้หมายถึงเป็นพี่ทึ่งที่พึ่งทางวิชาความรู้เราเป็นคนไม่ฉลฉลาดเราเป็นคนโง่เราไม่รู้วิธีที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องไปหาคนที่รู้จักวิธีที่จะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเราก็ต้องไปหาพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าเพราะตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านจากเราไปแล้วเราไม่สามารถหาพระพุทธเจ้าได้แล้ว แต่เรายังโชคดีที่ยังมีตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่สามารถทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้เหมือนกับมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราถ้าเราได้ศึกษาจากว่าธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเองที่ได้มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกก็เหมือนกับเราได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเพราะเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้า เราได้มีการจดจํามีการบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกถ้าเราไปอ่านหนังสือในพระไตรปิฎกก็เหมือนกับเราไปฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือถ้าเราไม่สามารถอ่านหรืออ่านแล้วเราไม่เข้าใจเราก็มีอีกทางเลือกหนึ่งอีกทางเลือกหนึ่งก็คือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้า ก็ที่จะสอนเราถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะสามารถถามได้ฟังแล้วไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามได้ให้ท่านตอบให้ท่านอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปตามลําดับนี่คือสารณะที่พึ่งของพวกเราเป็นที่พึ่งทางวิชาความรู้ไม่ใช่ที่พึ่งทางสายศาสตร์ อย่างที่พวกเราอาจจะนึกคิดกันเช่นมีพระห้อยคอแล้วจะแข้วคาดปลอดภัยอจากอุบัติภัยจากภัยต่างๆไปดูแต่คนตายห้อยพระกันเยอะแยะลถความตายก็มีอถูกเขาแทงตายก็มีถูกเขายิงตายก็มีเป็นโรคภัยไข้เจ็บตายก็มีห้อยพระกันทั้งนั้นมีพระห้อยอยู่บนคอ พระทำช่วยเราไม่ได้ป้องกันภัยให้กับเราไม่ได้ทางร่างกายนี้พระทำอะไรให้กับเราไม่ได้พระทำให้เราได้กับที่จิตใจของพวกเราที่จะช่วยสอนให้ให้จิตใจของพวกเราได้ดุจพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้อันนี่คือสารณะที่เพิ่งที่เราถือเป็นสารณะ พุทธทางสาัลนางกชามิทำมังสัลนางกชามิสังขังสัลนางกชามินี่เราถือท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ผู้ที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้อันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงตัดสรูปส่งค้นพบสรงค้นพบทางสู่การหลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพอพระ อ, องค์ได้ส่งค้นพบทาง และได้ใช้ทางนี้พาให้พระ อ, องค์ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพระ อ, องค์ก็นําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราที่ไม่รู้ต่อไปถ้าพวกเราอยากรู้เราก็ต้องขยันเรียนขยันฟังเทศน์ฟังธรรมขยันอ่านหนังสือธรรมะขยันเข้าหาพระาอาริยสงสาวกเหมือนกับเราอยากจะเรียนจบปริญญา เราก็ต้องขยันไปโรงเรียนเราต้องขยันตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งเลยอหนึ่งอสองแล้วก็ขึ้นไปปหนึ่งปอสองขึ้นไปมหนึ่งมอสองจนขึ้นถึงปีหนึ่งปีสองแล้วก็จบปริญญาตรีโทเอกตามลำดับต่อไปเราต้องมีการเรียนอย่างต่อเ น, นื่องไม่ใช่เรียนแบบ เรียนครั้งเดียวแล้วก็คิดว่าพอแล้วจบแล้วใช้ไม่ได้ต้องเรียนอย่างมากทางโลกนี้กว่าจะได้ปริญญาตรีนี่ก็ต้องสิบหกปีสิบแปดปีถ้ารวมอนุบาลอีกสองปีชั้นปฐมมัธยมอีกสิบสองปีชั้นปริญญาอีกสี่ปีนี่สิบแปดปีด้วยกัน ถึงจะสามารถจบปริญญาตรีได้ความรู้ทางธรรมที่เป็นความรู้ที่มีคุณค่ามีประโยชน์มากกว่าและยากต่อการเข้าใจาก็ต้องใช้เวล า, าถ้าใช้เวลาศึกษาเรียนกันอย่างไม่ขาดตอนเรียนไปพร้อมๆ ก, กับการนำเอาไปปฏิบัติ การปฏิบัติก็คือการทำการบ้านพ อ, อเราทำการบ้านได้เราก็จะรู้ว่าเราสามารถที่จะนำไปทำข้อสอบต่อไปได้คือการพาให้จิตใจของเราหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องมีการศึกษาแล้วนาแล้วก็เอาไปปฏิบัติ ปฏิบัติจนเราสามารถหลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้จึงถือว่าเราได้เรียนจบได้รับปริญญาอันนี้คือการเข้าหาพระพุทธศาสนาเข้าหาวิชาความรูร้วิชาความรู้ของพระพุทธศาสนานี้มีระดับปริญญาอยู่สี่ระดับด้วยกัน มีขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามและขั้นที่สี่นะผู้ที่ได้ปริญญาขั้นที่หนึ่งนี้ก็จะตัดการเวียนว่ายตายเกิดให้เหลือไม่เกินเจดชาติเป็นอย่างมากผู้ที่ได้ปริญญาขั้นที่หนึ่งนี้จะไม่ต้องไปเกิดในอบายปิดประตูอบายได้เยพบชาติที่พวกเราเกิดกันนี้มีทั้งทุ ก, กติและสุ ก, กติ ทุกขติก็คืออบายอบายก็คือที่อยู่ของสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ของดวงวิญญาณที่หิวโหวยเรียกว่าเปรต ด, ดวงวิญญาณที่หวาดกลัวเรียกว่าสุรร่างกายวิญดวงวิญญาณที่เขียดแค้นอาฆาตพยาบาทเรียกว่านรกถ้าได้เรียนวิชาสำเร็จขั้นที่หนึ่งปิ ระดับที่หนึ่งปริญญาระดับที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาก็จะสามารถปิดประตูบายได้ไม่ต้องไปเกิดในในอบายอีกต่อไปแต่ยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาอีกไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมาก น, นี่คือผู้สําหรับผู้ที่สําเร็จปริญญาขั้นที่หนึ่งที่เราเรียกว่าพระโสดาบันนี่เอง อสดาบันไดศึกษาข้อธรรมคำสอนแล้วนำเอาไปปฏิบัติเริ่มตั้งแต่ขั้นอนุบาลทำบุญทำทานแล้วก็รักษาศีลศีลห้าศีลแปดขึ้นไปตามลำดับแล้วก็ไปฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอจิตสงบมีมีสมาธิมีกำลังก็ไป ศึกษาความจริงของสิ่งที่ทำให้ดวงจิตใจมาติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่พาให้จิตใจมาติดกับเวนการเวียนว่ายตายเกิดก็คือความติดอยู่ในราบยศสรรเสริญในลรื่เสียงกลิ่นรสต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เองพระโสดาบัน ผู้ที่จะเป็นบระโสดาบันก็จะพิจารณาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เนี่ยการที่มาติดแล้วนี้จะทําให้ทุกข์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความสุขชั่วคราวพอมันหมดไปมันก็จะทําให้กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาและร่างกายที่ใช้เป็นเครื่องมือในการมาเสพลาบยศสรรเสริญเสพโูภเสียงเกิ่นรดก็เป็นของไม่เที่ยง มีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นเครื่องมือไม่ได้เป็นตัวตนไม่ได้เป็นตัวเราของเราเราคือดวงวิญญาณที่มาเกาะร่างกายมาใช้ร่างกายพาหาความสุขต่างๆจากลาบยศสรเสริญจากโลภเสียงกลิมนต์นตต่างๆนี้เองถ้าพิจารณาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจทุกขังอนัตตา มันเป็นทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์อย่าไปอยากในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าถ้าอยากแล้วพอได้มาแล้วเดี๋ยวมันจะต้องทำให้เราเสียใจมันจะทำให้เราร้องห่มร้องไห้และเวลาร่างกายนี้ตายไปมันก็จะทำให้เรากลับมาเกิดใหม่นั่นเองพระโสดาบันก็จะพิจารณาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา ท่านก็จะเลิกหยุดหาหยุดหาสิ่งเหล่านี้เ อ, อท่านหยุดไดออ้ท่านก็จะตัดการกลับมาเกิดได้ออตอนต้นก็ยังตัดรูปเสียงกลิ่นรสได้บางอย่างรูปเสียงกลิ่นรสที่พระโสดาบันยังตัดไม่ได้ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสของของคนนี่ของเพศตรงกันขา้าม พระโสดาบันยังอยากมีสามียังอยากมีภรรยาอยู่เพราะยังไม่เห็นว่าสามีภรรยานี้ไม่สวยไม่งามเหมือนกับที่คิดเพราะยังไม่ได้มองลึกเข้าไปยังไม่ได้มองลึกเข้าไปในร่างกายของสามีของภรรยามองเพียงแต่ภายนอกมองแต่ผมขนและฟันหนัง พอเห็นผมคนเล็บฟันหนังของสามีของภรรยาก็เกิดความคล้ายเกิดความอยากได้ขึ้นมาถ้าอยากจะตัดความอยากในการมีสามีภรรยาเพื่อจะได้ตัดการกลับมาเกิดในภพของมนุษย์และเทวดานะก็จําเป็นที่จะต้องทําการบ้านขั้นที่สองคือต้องทํางานศึกษาระดับปริญญาขั้นที่สอง ระดับปริญญาขั้นที่สองพูดที่จ ะ, ะขึ้นไปสู่ขั้นที่สองดนี้ต้องเริ่มศึกษาดูความจริงของร่างกายว่าสวยจริงหรือไม่จริงหล่อจริงหรือไม่จริงเออถ้าดูเพียงภายนอกมันก็จะเห็นว่าสวยว่าหล่อแต่ถ้ามองเข้าไปข้างในมองเข้าไปใต้ผิวหนังก็จะเห็นว่าสิ่งที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนี้ มีเยอะแยะไปหมดไม่มีอันไหนหน้าดูเลยตั้งแต่ก็โครงกระดูกขึ้นมาภายใต้ผิวหนังก็มีเนื้อมีเอ็นแล้วก็จะมีโครงกระดูกมีอวัยวะต่างๆมีปอดมีหัวใจมีตับมีไตมีลำไส้มีสมองแล้วยังมีน้ำอะไรเยอะแยะมีน้ําเลือดน้ําเหลืองน้าเงือ น้ำลายน้ำมูกต่างๆที่ไม่น่าดูไม่น่าปาถนาเลยแต่ถ้าไม่มองไม่ศึกษาก็จะไม่เห็นจะเห็นแต่รูปร่างหน้าตาภายนอกก็จะลหลงไหลเกิดความรักความไข่กับร่างกายอันนั้นได้ผู้ที่เริ่มศึกษาเริ่มเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายก็จะตัดความอยากที่จะกลับมาเสพ กับตัดความอยากที่จะกลับมาเสพความสุขกับคู่รองของตนผู้ที่ได้สำเร็จขั้นที่สองนี้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดถ้ากลับมาเกิดอีกเพียงชาติเดียวเป็นอย่างมากเพราะเริ่มมีความเบื่อเพราะความอยากมันลดกำลังลงไม่เหมือนกับตอนที่เป็นโสดาบันเนี่ยโสดาบันนี้ยังมองไม่เห็นความไม่สวยงามของร่างกาย เห็นร่างกายที่ไรก็มักจะเห็นว่าสวยว่างามน่ารักน่าใครนะ่แต่พอไล่ศึกษาธรรมชาติของร่างกายลึกเข้าไปมองเข้าไปใต้ผิวหนังหรือมองดูเวลาที่ร่างกายตายไปนะเวลาร่างกายตายไปถ้าปล่อยให้ทิ้งไว้มันก็จะเน่าเปื่อยนะมันก็จะพองขึ้นมาเน่าเปื่อยแล้วน้ำอะไรต่างๆก็จะไหลออกมา ถ้าทิ้งไว้นานๆเข้ามันก็จะแห้งกรอบเหลือแต่กระดูกเหลือแต่โครงกระดูกแล้วถ้าทิ้งไปต่อไปมันก็จะผุพังกลายเป็นดินไปนี่คือการศึกษาความรู้ที่จะทําให้ผู้ที่เป็นพระโสดาบันเริ่มตัดความรักความชอบในร่างกายถ้าทําได้บางเวลา ก็ถือว่าได้ลดปริมาณของความค่ความอยากได้ลงเวลาใดที่ได้ศึกษาได้รู้ได้เห็นมันก็จะนังรับความอยากได้เวลาใดที่ไม่คิดไม่พิจารณาเวลานั้นก็เกิดความอยากขึ้นมาได้อยากจะเสพกามได้สําสำหรับขั้นที่สองนี้เป็นพวกที่ได้สามารถ ลดความอยากในการเสกกรมให้เบาบางลงให้น้อยลงแต่ยังไม่หมดผู้ที่จะทำให้หมดนี้ต้องขึ้นไปขั้นที่สามผู้ที่ได้ขั้นที่สองนี้ก็จะตัดการอยากจะกลับมาเกิดในในภพของมนุษย์และเทวดาลงเหลือเพียงหนึ่งครั้งหนึ่งชาติเป็นอย่างมากแต่ถ้าสามารถ ศึกษาให้ไปเห็นร่างกายว่าไม่สวยไม่งามได้ตลอดเวลาก็จะตัดความอยากที่จะกลับมาเกิดในพบของมนุษย์และของเทวดาได้ั้รที่สามการที่สองเราเรียกว่าพระสะกิดาคามีั้นที่สามเราเรียกว่าพระอนาคามีพระโสดาบันปิดประตูบายได้ แต่ยังต้องกลับมาเกิดในภพของมนุษย์หรือเทวดาอีกไม่เกินเจ็ดภพเป็นอย่างมากส่วนขั้นที่สองพระสกิดาคามีจะกลับมาเกิดในภพของมนุษย์หรือเทวดาเพียงหนึ่งครั้งส่วนขั้นที่สามพระอนาคามีจะไม่กลับมาเกิดในภพของมนุษย์และเทวดาต่อไปเพราะได้ตัดความอยากที่จะมี ความสุขจากแฟนจากสามีจากภรรยาไม่ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆตัดได้หมดพอตัดได้หมดก็ไม่มีไม่มีความอยากที่จะกลับมาก็จะไม่กลับมาเกิดในกามะพกนะกามะพบนี้เป็นหนึ่งในไตรพบมีสามพบนะ พบที่สูงกว่าการมาพบก็คือรูปะพบกับอรูปะพบเพบของรูปะพบกับอรูปะพบนี่เป็นของพวกที่หาความสุขจากการนั่ง i, forward, upward, forward, able, สมาธิจากการเข้าฌานเข้ารูปฌานและเข้าอรูปฌานผู้ที่ได้รูปฌานก็จะไปเกิดแต่รูปะพบเรียกว่าเป็นรูปะพรมสวรรค์ชั้นพรม ผู้ที่ได้อารูปปชาญก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นอรูปภพหรืออรูปภพ ผ, ผู้ที่สำเร็จปริญญาขั้นที่สามของพระพุทธศาสนาคือพระอนาคามีก็จะไปเสบรูปปชาญหรืออรูปปชาญแทนที่จะไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสของคนนั้นหรือคนนี้ เปียนจากเป้าของการเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมาเป็นรูปประจานอรูปปัจจานเนี่ยผู้ที่สํำเร็จขั้นที่สามนี้ยังยังติดอยู่ในรูปภพหรืออรูปภพอยู่ต้องปฏิบัติทำอีกขั้นหนึ่งต้องศึกษาว่ารูปภพหรืออรูปภพนี้ก็ไม่ก็ก็เป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันเป็น ความสุขชั่วคราวเวลาเข้าฌานมันก็มีความสุขเวลาออกจากฌานความสุขของฌานก็จะหายไปต้องพิจารณาให้เห็นพออยากจะได้ความสุขแล้วเข้าฌานไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะติดอยู่ในรูปภพหรืออรูปภพก็ต้องตัดความอยากที่จะเสพความสุขจากรูปภพหรืออรูปภพนี่เอง ถ้าตัดได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในไตรภพเนี่ยไม่ต้องเกิดในรูปภพอรูปภพก็จะหลุดออกจากไตรภพหลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ น, นี่คือขั้นต่างๆของของการศึกษาทางพระพุทธศาสนาให้เราได้เห็นอย่างสังเขตเหมือนกับเวลาที่เราเรียนหนังสือ เรียนชั้นอนุบาลก่อนแล้วก็เรียนชั้นประถมจากประถมเราก็เรียนชั้นมัธยมจากมัธยมเราถึงจะเข้าไปสู่ขั้นของปริญญาได้ทางาศาสนาก็เหมือนกันก่อนที่เราจะเข้าสู่ขั้นของปริญญาของทางาศาสนาได้เราก็ต้องผ่านขั้นอนุบาลขั้นประถมก่อนขั้นอนุบาลก็คือการทำบุญทาทานเราต้อง ยุติการใช้เงินทองไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองเพราะเป็นการซื้อกามภพซื้อการมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเราต้องหยุดใช้เงินทองซื้อความสุขเช่นไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปกินไปดื่มอะไรต่างๆไปซื้อของสวยของงามเช่นกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าอะไรต่างๆ ความสุขเหล่านี้นะที่เป็นทําให้จิตต้องกลับมาเกิดในภพของมนุษย์ภพของเทวดาเพราะติดกับความสุขแบบนี้พระพุทธเจ้าบอกเราต้องเริ่มหัดเลิกหัดอย่าไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ให้มาหาความสุขจากการทําบุญทําทานแทนนถ้าอยากจะมีความสุขมีเงิน แทนที่จะไปเที่ยวเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทําบุญทําทานเราจะได้รับความสุขที่ทําให้เราไม่มาติดกับการมาเวียนว่ายตายเกิดการทําบุญนี้เป็นการเริ่มต้นของการออกจากไตรภพออกจากการเวียนว่ายตายเกิดการตนก็ยุติการหาความสุขจากรูปเสียงกลิก่นนส ด, ด้วยการใช้เงินใช้ทองอ นี่คือขั้นอนุบาลที่พวกเรากำลังหัดทำกันเวลาเราจะหาอยากไปมีความสุขอยากไปเที่ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าหมายของการหาความสุขจากการเอาเงินไปเที่ยวเอาเอาเงินไปทำบุญแทนจะได้ความสุขที่ปลอดภัยคือความสุขที่จะไม่พาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกัน จะลดการเวียนว่ายตายเกิดของเราให้น้อยลงได้ เ, เพราะว่าเมื่อเราไม่ทําตามความอยากที่พาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดความอยากมันก็จะเบาลงไปการที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็จะมีน้อยลงไปนี่คือขั้นที่หนึ่งของการศึกษาทางพระพุทธศาสนาให้เรามา ใช้เงินทองในการหาความสุขด้วยการทำบุญทำทานอย่าไปหาความสุขด้วยการทำตามความอยากอยากเที่ยวอยากดูอยากฟังอยากซื้อนู่นซื้อนี่ความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขที่เป็นเหมือนยาเสพติดที่เมื่อเราเสพแล้วมันจะทำให้เราติดเราจะต้องกลับมาเสพเรื่อย าย ไ, ไปก็จะกลับมาเกิดใหม่เพื่อที่จะมาเสพเพื่อที่จะมาหาเงินเพื่อที่เราจะได้ใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆเหล่านี้ต่อไปถ้าเราแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิน้นกายเราเอาไปทําบุญไปทําทานเช่นตอนนี้มีน้ําท่วมเนี่ยคนทุกข์ยากเดือดร้อน การที่จะเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้เอาเงินมาเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้เอาไปบริจาคจะไปซื้อของส่งไปให้ก็ได้หรจะส่งเงินไปร่วมกับผู้ที่เขาหาสิ่งต่างๆไปช่วยเหลือก็ได้ผลมันจะทําให้การการติดในการเวียนว่ายตายเกิดน้อยลงไปเพราะว่าเมื่อเราไม่ได้ไปเที่ยวความอยากเที่ยวมันก็จะเบาลงไป ถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากเที่ยวมันก็จะหายไปเออมันก็จะทำให้เราไม่คิดอยากจะกลับมาเกิดมาเที่ยวอีกนะเพราะความอยากเที่ยวมันไม่มีนะนี่คือขั้นตอนนั้นแรกของของการปฏิบัติการศึกษาเราต้องมาทำบุญทำทานกันเป็นการแก้รำ ของการที่ไปใช้เงินตามความอยากต่างๆเพราะการใช้เงินตามความอยากมันจะทำให้เราติดแล้วมันจะทำให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราใช้เงินไปกับการทําบุญทำทานมันไม่ทำให้เราติดเหมือนกับกินอาหารกับซื้อยาเสพติดถ้าเสพยาเสพติดแล้วมันจะติด แต่กินอาหารนี่มันไม่ติดมันจะกินเฉพาะเวลาร่างกายต้องการเวลาร่างกายไม่ต้องการมันก็ไม่กินก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าใจเราหิวใจเราไม่มีความสุขก็ให้อาหารใจด้วยการทำบุญทำทานการทำบุญทาทานนี้เป็นเหมือนอาหารใจไม่ใช่เป็นยาเสพติดไม่มีพิษมีภยัยกับจิตใจ ไม่เหมือนกับการใช้เงินไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆมาเสพซื้อมาเสพแล้วก็จะติดก็ต้องซื้ออยู่เรื่อยๆเวลาตายไปก็จะกลับมาเกิดใหม่เพื่อที่จะได้มาหาเงินเพื่อที่จะได้มาซื้อความสุขต่างๆเหล่านี้ใหม่ น, นี่คือขั้นที่หนึ่งพยายามหยุดการใช้เงินไปกับการเที่ยวหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ ถ้าอยากจะมีความสุขจากการใช้เงินก็เอาเงินนี้ไปทำบุญทำฐานทํากับใครก็ได้ทํากับคนที่เรารักเคารพก่อนทํากับพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ให้พ่อแม่อยู่เย็นเป็นสุขเราก็จะมีความรู้สึกสุขใจสบายใจแต่ถ้าพ่อแม่สบายแล้วยังมีเหลืออยู่ยาวไปเที่ยวก็เอาไปทําบุญกับคนอื่นต่อไป ทำบุญกับคนที่เขาเดือดร้อนขาดแคลนทุกข์ยากลำบากทาบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าทาบุญกับโรงพยาบาลทาบุญกับโรงเรียนทาบุญกับคนพิการทาบุญกับคนอนาถาทาบุญกับสัตว์เดรัจฉานเตอนนี้เป็นการทาบุญเป็นการให้ความสุขกับใจและเป็นการตัดภพตัดชาติไปในตัวอนี้คือขั้นที่หนึ่งทำไม พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราทำบุญกันถ้าพวกเรายังมีเงินยังใช้เงินกับการไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เราต้องหยุดเพราะการใช้เงินไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันจะทำให้เราติดมันจะทำให้เรากลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆนั่นเองแต่ถ้าเราทำบุญแล้วความอยากที่จะกลับมาเกิดมาซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะไม่มี แต่มันยังไม่ได้ทำให้เราหยุดการกลับมาเกิดได้อันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งส่วนที่เราจะต้องตัดกันตัดส่วนนี้แล้วเราก็ต้องไปปิดประตูอบายต่อคือเราต้องไปรักษาศีลต้องไม่ทำบาปเพราะการทำบาปนี้จะทำให้เรากลับมาเกิดในอบายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรก ถ้าเราไม่ทํำบาปรักษาศีหน้าได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในอบายแต่เรายังจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่จะเป็นมนุษย์ที่ออ่ไม่มีความหิวความอยากกับเงินทองกับข้าวของอะไรต่างๆจะเป็นมนุษย์ที่อยากจะหาความสุขจากความสงบเออ จะอยากจะไปวัดอยากจะไปถือศีลแปดพอเห็นโทษของการเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดว่ามันเป็นทุกข์เวลาที่ไม่ได้เสพเวลามีแฟนก็มีความสุขเวลาแฟนจากไปก็จะเหงาจะเศร้าจะทุกข์คนที่เห็นโทษของการมีแฟนโทษของการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลด ก็อยากจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการไปหาความสุขจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เปลี่ยนมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบก็จะหัดถือศีลแปดกันเพราะการถือศีลแปดนี้จะห้ามไม่ให้ใจไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองศีลก็สามก็จะห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกับแฟนกับคู่ครอง ศิลก็หกก็ไม่ให้กินมากเกินไปไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานตามความอยากให้รับประทานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้อยู่แต่ไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารก็จะห้ามไม่ให้รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วน่างกายไม่ตายถ้าได้กินตอนเช้าด้วยก่อนเที่ยงแล้วอยู่ได้ขาดมื้อเย็นมื้อเดียวไม่ตายอันนี้เป็นการยุด หยุดความอยากที่จะหาความสุขจากการรับประทานอาหารแล้วก็ห้ามไม่ให้ไปดูหนังฟังเพลงไม่ให้ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงลงมหระสบต่างๆไม่ให้เสพกามเรียกว่าเนตข ม, มะเรียกว่าบวชเนตข ม, มะผู้ที่ถือศีลแปดนี้เป็นผู้ที่ออกจากกามออกจากการเสพกามไม่ให้หาความสุขจากการเสพกาม ให้หามาหาความสุขจากการทำใจให้สงบมาฝึกสมาธิมานั่งสมาธิมาเข้าฌานขั้นต่างๆจิตสงบจิตมีความสุขจะเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสพกา ร, รเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอันนี้เป็นขั้นมัธยมของผู้ที่ปฏิบัติการอนุบาลก็ทำทาน ขั้นปฐมก็รักษาศีลห้าไปพอขึ้นพอขึ้นขั้นมัธยมก็เปลี่ยนศีลห้ามาเป็นศีลแปดเถิศีลแปดแล้วก็ไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปไปอยู่วัดไปหาที่สงบอยู่บ้านก็ได้ถ้าไม่ได้ไปวัดก็อยู่บ้านแต่ไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนไม่กินอาหารเย็น เอาเวลามาฝึกสมาธินั่งสมาธิทำใจให้สงบนะก็จะสามารถที่จะหาความสุขจากความสุขที่ที่สูงกว่าระดับของมนุษย์หรือของเทวดาได้นะาผู้ที่สามารถเข้าฌานได้เวลาตายไปก็จะไปเกิดในสวรรค์ชนะั้นพรมในรูปภพหรืออรูปภพนะไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์นะ แต่ยังต้องเสื่อมลงมาเพราะว่าการได้ฌานได้สมาธินี้ยังเป็นของชั่วคราวอยู่ตายไปไปเกิดอยู่สวรรค์ชั้นพรหมพอสมาธิเสื่อมลงใจก็จะอยากขึ้นความอยากได้เสพกามมันก็จะผุดโผล่ขึ้นมาก็จะเลื่อนลงมาสู่ระดับของเทวดาของมนุษย์ต่อไปเพื่อที่จะกลับมาเสพกามใหม่ แต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์ค่อยมีนิ ส, สัยชอบถือศีลแปดก็จะพยายามสู้กับความอยากที่จะไปเสพกามเลยคยความอยากเสพกามยังไม่หมดยังไม่ตายจากการที่รักษาศีลแปดด้วยจากการเข้าสมาธิเข้าฌานเพียงแต่ฝืนมันบังคับมันเท่านั้นเองแต่มันยังโผล่ขึ้นมาได้อยู่ถ้าไม่รักษาศีลแปดต่อไปก็อาจจะ เสื่อมจิตก็จะไปเสพกามได้ถ้าอยากจะให้การไม่เสพสิ่งต่งางๆนี้หมดไปอย่างถาวรคือกําจัดความอยากให้หมดไปถาวรก็ต้องเข้าไปสู่อีกขั้นหนึ่งของการปฏิบัติที่เรียกว่าขั้นปัญญานขั้นปัญญานี้เรียกว่าเป็นขั้นของอมหาวิทยาลัยขั้นของอุดมศึกษาขั้นของปริญญา ตีโทเอกเนี่ยทางทรมก็เหมือนกันถ้าเราได้ผ่านขั้นทานแล้วทําทานได้แล้วเลิกใช้เงินเที่ยวเตะได้แล้วไม่ใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราอะไรต่างๆไม่ซื้อไม่ใช้เงินซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แล้วขั้นต่อไปเราก็รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์นีพอเรารักษาสีลห้าได้บริสุทธิ์ เราก็มาหัดรักษาศีลแปดกันตอนต้นก็อาจจะเริ่มที่วันอาทิตย์ละวันก่อนวันไหนสะดวกวันที่เราว่างไม่มีอะไรต้องไปเกี่ยวข้องกับใครไปอยู่วัดได้ก็ไปถือศีลแปดที่วัดกันทังวันหนึ่งพอถือศีลแปดแล้วก็จะได้มีเวลามาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบกันพอทำใจให้สงบได้จิตก็จะ ห้ามความอยากที่จะเสพกามได้แต่ยังไม่ได้สามารถกำจัดมันถ้าเวลาใดที่กำลังของสมาธิอ่อนลงความอยากจะเสพกามมันก็จะโผล่ขึ้นมาได้ถ้าอยากจะทำให้ความอยากที่จะเสพกามนี้หมดไปก็ต้องขึ้นสู่ระดับของอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต้องไปเรียนปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ ไปเพื่อที่จะได้รับปริญญาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ต่อไปการที่จะตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาขั้นต้นให้พิจารณาร่างกายที่เป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการมาเสพการรมกันว่าเครื่องมือที่เราใช้เสพการรมมันก็ไม่เที่ยงมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เราใช้มันได้ตอนที่มันยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแตพอเวลามันแก่มันเจ็บมันตายเราก็จะใช้มันไม่ได้มันก็จะทําให้เราทุกข์แล้วพอมันตายไปมันก็จะทําให้เรากลับมาเกิดใหม่อีกนกลับมาเกิดมามีร่างกายอันใหม่เพื่อที่เราจะได้เสพการใหม่อีกอยถ้าเราพิจารณาเห็นว่าร่างกายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้ามีร่างกายแล้วมันจะต้องทุกข์ เพราะมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอเราเหน็นความจริงอันนี้เราก็ปล่อยวางร่างกายไม่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขดีกว่าหยุดติการใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวยุดติใช้ร่างกายพาเราไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอะไรไม่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขหยุดความอยากที่จะ ใช้ร่างกายนี้ได้ปล่อยวางร่างกายได้ไม่ทุกข์กับร่างกายมันก็จะทำให้เราตัดความอยากที่จะใช้ร่างกายนี้เบื้องต้นก็ตัดส่วนส่วนส่วนภยัยส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายคือยอมรับว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แต่จะไม่พยายามใช้ร่างกายนี้ไม่อาศัยร่างกายนี้อีกต่อไปแต่ก็ยังต้องตัดอีกเพราะว่านอกจากการที่เรารู้ว่าร่างกายนี้มันมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเราก็ต้องรู้ว่าการใช้ร่างกายไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆมันก็พาให้เราทุกข์เนี่ย การที่เรามีร่างกายนี้ก็เพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายนี้ไปหาความสุขจากร่างกายของคนอีกคนหนึ่งนั่นเองจากสามีจากภรรยาของเราถ้าเราไม่ต้องการที่จะกลับมามีร่างกายเราก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราแล้วเราก็ต้องพิจารณาว่ามันไม่สวยไม่งามด้วยมันเป็นอสุภะมันก็จะทำให้เราไม่มีความยินดีที่อยากจะ ไปมีแฟนมีคู่ครองมันถึงจะทำให้เรานี้ตัดการอยากที่จะกลับมาเกิดในการมาพบได้กลับมาเสพกามได้เพราะเราจะเห็นว่ามันเป็นการกลับมาหาความทุกข์นั่นเองกลับมาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยอยึงต้องพยายาม พิจารณาอาสุภะความไม่สวยไม่งามพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายว่าร่างกายเป็นของชั่วกราวเกิดแก่เจ็บตายร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันทำมาจากดินน้ำลมไฟมันเป็นของดินน้ำลมไฟเดี๋ยวตายไปมันก็จะกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเราเป็นจิตใจผู้รู้ผู้คิด ผู้ที่มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือชั่วคราวแล้วก็ต้องมาทุกข์กับมันเวลาที่ใช้มันไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุก์เราก็อย่าไปใช้มันเลิกใช้ร่างกายถ้าเราเลิกใช้ร่างกายได้เราก็จะไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไปอันนี้ก็จะทำให้เราสำเร็จขั้นที่หนึ่งสองสามว่าเป็นขั้นที่เกี่ยวกับร่างกาย ถ้าเราตัดได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในกรรมมาพบอีกต่อไปแต่เรายังจะไปติดความสุขในสมาธิในฌานอยู่เราก็ต้องมาใช้ปัญญาพิจารณาตายรับ nga นะว่าความสงบก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันความสงบของสมาธิมันเป็นของไม่เที่ยงมันมีเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็มีดับ ม, มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมเวลา บางทีเราอยากได้มันเราก็ไม่ได้มันมันก็จะทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อยากมาเสพความสุขจากความสงบอยู่กับความไม่มีความอยากดีกว่าถ้าเราตัดความอยากที่จะเสพความได้ตัดความอยากที่จะเสพความสุขที่เกิดจากความสงบได้เราก็จะไปเจอความสุขอีกแบบหนึง่ง ความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากความสุขที่ไม่มีความอยากนี่แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความเป็นความสุขของพาณิพานาพาณิพพานี้ไม่มีความอยากผู้ที่สามารถหยุดความอยากทั้งสามได้หยุดความอยากที่จะเสพกามหยุดความอยากที่จะเสพรูประชานรูปประชานได้ก็เป็นผู้ที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดในตายพเพกต่อไป แล้ว จ, จิตที่ไม่มีความอยากทั้งสามนี้กลับมีความสุขมากกว่าตอนที่ได้เสพกามหรือเสพรูปประชานหรืออรูปประชานเนี่ยว่าเป็นความสุขที่ทเที่ยงแท้แน่นอนที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่จะทำให้จิตไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือขั้นที่สี่ของปริญญาทางพระพุทธศาสนา ขั้นที่หนึ่งสองสามนี่มาหยุดความอยากเสพกามเสบพูปเสียงกิดลดเสบพร่างกายของคนนั้นคนนี้พอขั้นที่สี่ก็มาหยุดความอยากที่จะเสพรูปประชานเารูปประชานพอความอยากเหล่านี้หมดไปจากใจจิตก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันนี้ก็ถือว่าได้เรียนจบปริญญาเอกของพระพุทธศาสนา พร้อมที่จะไปช่วยเหลือพระพุทธเจ้าสั่งสอนผู้อื่นต่อไปได้เนี่ยบรรดาภาษาวกทั้งหลายนี้ก็เป็นเหมือนพวกเราตอนเริ่มต้นก็เป็นเหมือนเด็กเข้าโรงเรียนเข้าชั้นอนุบาลไปเรียนหนังสือไปฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านภาษาว o พอรู้แล้วว่าต้องทำอะไรก็ไปทำ ทำบุญทำทานรักษาศีลศีลห้าแล้วก็ศีลแปดแล้วก็ไปฝึกนั่งสมาธิทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วทีนี้ก็ไปสอนใจให้เกิดปัญญาให้เห็นว่าการเสพกามความอยากการเสพกามนี้ทําให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในกามะพภการเสพ อรูปประชานทำให้เราต้องกลับมาเกิดในรูปภพการเสพอารูปประชานทำให้เราต้องกลับมาเกิดในอารูปภพถ้าเราไม่อยากที่จะกลับมาเกิดในไตพภพเราก็ต้องหยุดความอยากที่จะเสพกามหยุดความอยากที่จะเสพรูปประชานหยุดความอยากที่จะเสพอารูปประชานตามลำดับต่อไปพอเราหยุดความอยากที่จะเสพกาม รูปเสบรูปประช า, ารูปประชาได้ความอยากทั้งหลายก็จะหมดไปจากใจใจก็เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ที่เราเรียกว่านิพพานนี้เองใจที่ปาส จ, จากา마ตันหาภาวตันหาวิภาวะตันหาก็เป็นใจที่จะเป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นใจที่ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจ เป็นใจที่มีแต่ความสุขเต็มเปี่ยมตลอดเวลาที่เรียกว่าปรมังสุขขังนิบานังปรมังสุขขังคือใจที่ไม่ต้องมีควมไม่เสพความสุขจากความอยากต่างๆและเสพความสุขจากการที่ไม่มีความอยากอันนี้เป็นของแปลกประหลาดมาสัจจันทร์ พวกเราอาจจะคิดว่าเราจะมีความสุขได้ยไงถ้าเราไม่มีความอยากจะเสพหาความสุขกันแต่เราไม่รู้เราความอยากนี่มันทำให้ใจเราไม่สุขกันแต่พอไม่มีความอยากแล้วใจที่ไม่สุขก็เลยกลายเป็นใจที่สุขขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่หยุดความอยากทั้งสามนี้ให้ได้เท่านั้นเองแล้วเรากลับจะมาเจอความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง เหนือกว่าความสุขที่เราได้จากการเสพกามเหนือกว่าความสุขที่เราได้จากการเสพรูปฌานเหนือกว่าความสุขที่เราได้จากการเสพอารมูปฌานนี่แหละเป็นปริญญาขั้นที่สี่ของพระพุทธาศาสนาเรียกว่าขั้นของพระอรหันต์ผู้ที่ได้จบปริญญาขั้นที่สี่นี้เรียกว่าพระอรหันต์เป็นผู้ที่ ทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กลายเป็นนิพพานขึ้นมาเมื่อได้นิพพานแล้วก็ไม่ติดในตายภพไม่กลับมาเกิดในตายภพอีกต่อไปไม่เกิดมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรต่างๆแต่ไม่ได้สูญหายไปไหนจิตนี้ไม่ได้ตายไม่ได้สูญหายเวลาไปถึงนิพพานจิตก็ยังมีอยู่เหมือนตอนที่มีเหมือนกับตอนที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ เหมือนกับเสื้อผ้าจิตนี้เหมือนกับเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่สกปรกถ้าเราเอาไปซักเสื้อผ้าก็สะอาดขึ้นมาหาเสื้อผ้าไม่ได้หายไปไหนเวลาเราไปซักเสื้อผ้าเสื้อผ้าไม่ได้หายไปกับคราบสกปรกฉันใดการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกับการซักพอกจิตใจที่มันสกปรกหรือไม่สะอาดด้วยความอยากด้วยกิเลสตัณหานี่เอง พอเราใช้ศีลสมาธิปัญญาใช้ทานศีลสมาธิปัญญามาซักพอกพอคาบสกปรกเกิดกิเลสตัณหาหลุดออกจากใจไปใจก็ไม่ได้หายไปไหนใจก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมมีเหมือนกับตอนที่เวียนว่ายตายเกิดใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพวกเราก็เป็นใจอันเดียวเหมือนกันต่างกันตรงที่ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นใจที่ได้รับการชำระซักพอกให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเท่านั้น ใจของพวกเรายัางโศกโปรกด้วยกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆจึงพาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันแต่ใจของพระพุทธเจ้านี้สะอาดบริสุทธิ์จึงไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันดังนั้นขอให้พวกเราอย่าไปกลัวว่าพอเราปฏิบัติถึงนิพพานแล้วเราจะสูญหายไปเราไม่สูญหายเราก็ยังเป็นคนเดิมอยู่แต่ต่างกันตรงที่แทนที่จะมีความทุกข์กับไม่มีความทุกข์แล้ว มีแต่ความสุขอย่างเดียวถ้าเป็นร่างกายก็เหมือนร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยพอได้รับการรักษาจากหมอจากโรงพยาบาลแล้วโรคภัยไข้เจ็บหายไปแล้วร่างกายก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหนร่างกายของเราก็ยังอยู่อยู่ตรงที่ว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอีกแล้วมีแต่ความสบาย Yeah. นี่ก็เหมือนกันจิตใจของเราพวกเราตอนนี้เป็นเหมือนคนไข้คนเจ็บไข้ได้ป่วยทุกกันอยู่ตลอดเวลาทุกกับเรื่องนั่นทุกกับเรื่องนี้ทุกกับคนนั้นทุกกับคนนี้เพราะความอยากนี้เองความอยากอยากมันทําให้เราทุกกัน พอเราตัดความอยากชำราความอยากทั้งสานีห้หมดไปจากใจได้แล้วความอยากความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราก็จะหายไปหมดการจะกลับมาเกิดมามีความทุกข์อีกก็ไม่มีอีกต่อไป น, นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาขอให้พวกเราทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นสถาบันการศึกษา เป็นบอ่อเกิดแห่งของแบงบ่อเกิดของความรู้อันยิ่งใหญ่ความรู้ที่เหนือกว่าเหนือกว่าความรู้ทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะความรู้ทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถพาให้พวกเราหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้มีแต่ความรู้จากพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นซึ่งนานๆเราจะได้มาเจอสักครั้งหนึ่งศา ส, สนานี้ไม่ได้มาเกิดมีอยู่ตลอดเวลา โลกนี้มีอยู่ตลอดเวลาแล้วกลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้ได้อยู่เรื่อยๆแล้วพอมาเกิดก็จะมีสถาบันการศึกษาปรากฏโผล่ขึ้นมาแต่อาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาเพราพระพุทธศาสนานี้นานๆจะมีโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งหลายสิบหลายแสนล้านปีพุง่ายๆถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และมาสอนธรรมะให้กับพวกเราสักครั้งหนึ่ง เรามาเกิดคราวนี้ถือว่าโชคดีได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาที่แสนยากที่จะมาเกิดให้เราได้พบได้เห็นดังนั้นเราควรที่จะรีบตักตวงประโยชน์ที่เราพึงจะได้จากพระพุทธศาสนาด้วยการทําความเข้าใจให้ถูกต้องว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นที่ให้ความรู้กับเรา พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นเหมือนครูเป็นอาจารย์ของพวกเราที่จะสอนให้พวกเรารู้จักวิธีพาให้พวกเราออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าไม่ใช่มาเสกมาเป่ามาคุ้มครองปกป้องหรือมาตอบสนองความอยากความต้องการต่างๆของพวกเราอันนี้ไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่สารณะสารณะของเราคือผู้ให้ความรู้กับเรา ให้ความรู้คือทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจึงขอให้พวกท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินในฝั่งนี้ไปพนิษ์พิจารณาเพื่อประโยชน์สุขอันสูงสุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาเรวะฮาปุราปาริกปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตางนังอุปกัปปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสะเพปุเรนตูส so ังกปาจันโทปนาราโสยาถามณีโชติ อาราโสยทธาสพิตโยวิวัจันโุสัพพะโรโวินัสสตุ มาเตภวะตวันตราโยสุขิทีขายุโกภวะอภิวาทนศีิลิสานิจังุทธาปจายโนยตาโรธรรมวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลั ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามคำถามคำตอบใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถามไปได้จนกว่าเราจะเลิกประชุมแต่หลังจากเลิกประชุมแล้วขอยุติการถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ทางบ้านมีผู้ติดตามกันเท่าไหร่ทาง f a c e b o o สองร้อย 63คนครับ YouTube 264คนครับวิทยุออนไลน์19คนครับผู้รับฟังบนเขา169คนครับรวมทั้งหมด715คนครับ okay. ถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยคาถามจะคคำถามฝากถามจากบนเขาเจ้าค่ะข้อที่หนึ่ง ภาวนาพุโทโธหากเกิดอาการเจ็บปวดตามขาหลังควรแวะออกมาคิดว่าอาการเจ็บเกิดขึ้นเดี๋ยวก็หายไปหรือควรภาวนาพุโทโธต่อไปเรื่อยๆดีครับก็ทำไมไม่ลองทำดูก็ลองทำดูเลยเดี๋ยวบอกทางหนึ่งอาจจะไม่ถูกกับคุณก็ลองทำดูมันได้ทั้งสองทาง ทางไหนที่ทำให้ใจคุณไม่ทุกข์กมันก็ใช้ได้ข้อที่สองค่ะเคยอ่านจากวิจัยทางการแพทย์เขาบอกว่าควรนอนวันละแปดชั่วโมงแต่ทางสายพระปฏิบัติท่านบอกนอนวันละสี่ถึงห้าชั่วโมงจริงๆแล้วร่างกายเราพักสี่ชั่วโมงก็พอใช้ได้ไหมครับก็พบ แต่สมัยพุทธกาลท่า น, นก็นอนแค่สี่ชั่วโมงพระพุทธเจ้าสอนให้นอนสี่ชั่วโมงช่วงหกโมงถึงสี่ทุ่มก็ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาสี่ทุ่มถึงตีสองก็ให้พักผ่อนหลับนอนหรือถ้าจะเลื่อนเป็นห้าทุ่มก็ตื่นตีสามแทนก็ได้นอนตีสี่ก็ตื่นตีสองนอนห้าทุ่มก็ตื่นตีสามร่างกายพอมันได้นอนสักสี่ชั่วโมงมันก็ตื่น คำถามจากทางยูทูบค่ะจากคุณปียนันต์กับเรียนถามท่านพระอาจารย์ดวงจิตที่ออกจากร่างกายไปอยู่โลกทิพย์ยังจะต้องมีภาระหน้าที่รับผิดชอบหรือต้องทำงานเหมือนกับผู้คนที่อยู่ในโลกมนุษย์อีกหรือไม่ครับก็ลองลองรอดูไปกันแล้วกัน เดี๋ยวดวงจิตของคุณออกจากล่างไปคุณคอยสังเกตดูก็แล้วกันะมาถามเราทำไมเดี๋ยวคุณก็ต้องออกจากล่างไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก็รู้เองคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะจากคุณปราโมท กลับเรียนถามพระอาจารย์ครับได้ฟังธรรมทุกวันดูลมหายใจเห็นถึงอารมณ์ที่กระทบจิตได้ไวขึ้นรู้แล้ววางไม่แสดงการตอบโต้ออกไปภายนอกแบบนี้เรียกว่าสติไหมครับรู้สึกมีความสงบสุขมากครับสาธุครับก็เริ่มริ่มมีสติขึ้นมาตามลำดับแต่ยังไม่สติขั้นสูงสุด ถาขั้นสูงส่งุดแล้วมันจะสามารถที่จะร ะ, ะงับอารมณ์ต่างๆได้ทันทีที่เกิดขึ้นมาคําถามจากทางยูทูบค่ะจากคุณภัยทูลการฝากของไปทําบุญที่วดัดเราจะได้อนิสง์เหมือนที่เราทําเองหรือไม่ครับได้ถ้าเป็นของของเราเราซื้อของน้อยบาทไปทําเองแล้วฝากคนอื่นทําก็ได้ร้อยบาทเหมือนกัน คำถามจากคุณสิริพรยาค่ะพระอาจารย์ค่ะนอนภาวนาได้ผลเหมือนนั่งภาวนาหรือไม่เจ้าค่ะลองทำดูสิของนี้มันอยู่แค่อยู่แค่อื้อ ม, มืออยู่แล้วมาถามให้มันยุ่งยากทำไม อ, อ่ของที่ทำได้ลองทำดูไปเลยไม่ต้องมาถามให้เสียเวลา อ, อพิสูจน์เองเอง เวลาไปเที่ยวไม่เห็นมาถามแล้วไปเที่ยวกันไม่ไปเที่ยวไหนดีกว่ากันก็ของบางอย่างมันเราพิสูจน์ได้ก็พิสูจน์ไปเลยไม่ต้องมาถามอาของบางอย่างมันไม่ควรรู้ก็ไม่ต้องรู้เช่นเวลาตายไปแล้วดวงวิ ญ, ญญาณจะไปมีความรับผิดชอบอะไรที่ไหนหรือไม่นี่ทำไ ม, ไมรู้หรอกรู้ว่าตอนมีชีวิตอยู่นี้ทำงไงให้จิตใจเราไม่ทุกข์ ไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆจะมีประโยชน์กว่าถึงบางทีถามคำถามบางอย่างแล้วมันไกลตัวไปเลยไม่อยากจะตอบตอบไปก็ไม่เกิดประโยชน์เอาประโยชน์ในปัจจุบันดีกว่าตอนนี้ใจิตใจเราสบายหรือไม่สบายสุขหรือไม่สุขทุกข์หรือไม่ทุกข์เอาอย่างนี้ดีกว่ามีวิธีทำให้ที่ทุกข์มีทำให้ทุกข์ที่มีหายไปได้ มีวิธีที่ทำให้ที่ไม่มีสุขให้เกิดสุขขึ้นมาได้เอาอย่างนี้ดีกว่าถามนิ้วเงาเหล่านี้ดีกว่านะแต่ชอบมาถามเรื่องอะไรแปลกๆบางทีก็ไม่อยากจะตอบนะตอบไปแล้วมัน ก, มนก็มันก็ไม่ได้ประโยชน์มากมาย น, นอยางอยังไม่มานะปัญหาของพวกเราก็คือความไม่มีความสุขนั่นแหละ หรือความมีความทุกข์เนี่ยมันเป็นตัวปัญหาบางทีไม่ทุกข์แต่มันก็ไม่สุขมันก็มันก็เป็นปัญหาขึ้นมาต้องไปหาความสุขกันแต่ความสุขที่ไปหาก็กลายเป็นยาพิษขึ้นมาในภายหลังฉะนั้นถ้าอยากจะหาความสุขเวลาที่ไม่มีความสุขอยากจะมีความสุขก็หาความสุขแบบพระพุทธเจ้าสอนให้หาดีกว่า มีหลายวิธีวิธีที่เรารู้กันทั่วไปก็ทำบุญทำทานอย่ตอนนี้ไปช่วยน้ำท่วมช่วยคนที่เขาเดือดร้อนแล้วจะมีความสุขถามบินด้วยก็มีความสุขก็นั่นแหละถ้าไม่มีความสุขอยากจะมีความสุขไปช่วยบินก็มีความสุขถ้ามีความทุกข์ก็ต้องหยุดการกระทำที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา ถ้าทุกข์เพราะความอยากก็ต้องหยุดความอยากถ้าทุกข์เพราะทำบาปก็ต้องหยุดทำบาปนะแล้วมันก็จะไม่ทุกข์นะมีคำถามจากทางยูทูบหนึ่งคำถามเจ้าค่ะเราควรภาวนาบริกรรมขณะขับรถหรือไม่ครับหรือควรจดจ่ออยู่กับอยู่กับการขับรถครับอันนี้ก็เหมือนกันนะคําถามนี้มันต้องพิสูจน์เราเองมาถามเราทําไมออนะ ลองดูสิอันไหนมันดีกว่ากันชะมาชอบถามอะไรที่มันตัวเองสามารถหาคำตอบได้แล้วคนที่ตอบก็ไม่สามารถที่จะให้คาตอบที่เหมาะสมได้ เ, เพราะอยู่ที่คนคนทำว่าอันไหนมันจะเหมาะกับตนก็ทำอันนั้นไปบางทีตอบไปแล้วก็กลับมาเถียงอีกออออก็ไม่รู้จะตอบไปทำไม อะไรของของที่เราสามารถพิสูจน์ได้ทดลองไปเลยไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งถามนะอันนี้เป็นเรื่องถามไม่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นยังไงอันนี้ถามได้แต่อันนี้รู้วิธีแล้วเพียงแต่ยังไม่รู้ว่าจะเอาวิธีไหนดีก็เลือกลองทำไปดูสิวิธีไหนก็ได้ให้ดูที่ผลที่จะเกิดตามมา อันไหนทำแล้วให้เกิดผลเกิทําใจให้ทำให้ใจเราเย็นสบายมีความสุข น, นั้นแหละเป็นวิธีที่ถูกต้องถ้าใจเราเครียดเราวุ่นวายมันก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องเออให้ดูที่ผลเอไม่มีคําถามนมมาคะคนอาจจะกลัวถามโดนดา่าโดนว่าอะไรหดกันไปหมด <c oughs> อาเชิญค่ะอยากจะถามค่ะเมื่อก่อนเคยนั่งสมาธิแล้วจับลมหายใจดูลมหายใจได้เข้าออกเข้าออกค่ะแล้วปัจจุบันเนี้ยค่ะขณะนั่งดูลมหายใจแล้วจับลมหายใจได้แล้วตอนนี้มันกลวงมันเบาลมหายใจไม่มีอค่ะจะทํายังไงต่อก็ดูไปเรื่อยๆให้มันให้มันเบาไปเรื่อยๆอย่าให้มันคิดก่อยดูความคิด อย่าให้มันคิดให้มันว่างอย่างนั้นไปเรื่อยๆให้มันนิ่งนานๆสงบนานๆนะๆถ้าดูลมได้ก็ดูลมต่อไปถ้ามีลมให้ดูก็ดูถ้าไม่มีลมไม่ดูก็ค่อยดูความคิดว่าคิดอะไรหรือเปล่าถ้าคิดก็หยุดมันอย่าให้มันคิดนะให้มันนั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวจิตมันก็จะนิ่งสงบเต็มที่ต่อไป นมสสัสการเจ้าค่ะพูด ใ, ใกล้ๆปากน่ฮัโลโหลการได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ง่ายไหมคะอุตจาวะยากนะเพราะว่ากว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ต้องไปใช้บุญใช้บาปนตายไปถ้าทำบาปมันก็อาจจะไปเกิดในระชานไม่รู้กี่รอบกว่าจะพ้นจากบาปมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ อย่าทำบาปถ้าไม่อยากจะไปเกิดในอบายอย่าไปทำบาปพยายามทำบุญทำบุญแล้วก็ตายไปก็ไปสวรรค์ไปสวรรค์ไม่เป็นไรไปสวรรค์ดีกว่าเป็นมนุษย์รอบสุขกว่ามนุษย์มาเป็นมนุษย์แล้วมันทุกข์กว่าเป็นเทวดาแต่มนุษย์ดีตรงที่ว่าถ้ามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาก็จะได้รับประโยชน์มากกว่าเทวดา จะได้ศึกษาได้มักง่ายกว่าการเป็นเทวดาเทวดาจะศึกษาธรรมะได้ต้องมีพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าที่ติดต่อกับเทวดาเทวดาได้ถึงจะสามารถศึกษาได้เสียงมไม่คดีไปไหนกลับนำ้ำสการค่ะที่เวลาปกติทำบุญเนี่ยแล้วก็เขียนชื่อคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่นอ้องเข้าไปด้วยเนี่ยคือเป็นปัจจัยของเราเอง แต่เราเขียนเพราะความตั้งใจอยากจะให้เขาทั้งหลายได้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยอย่างนี้เนี่ยคนที่เราเขียนชื่อเข้าไปเนี่ยเขาจะได้มีส่วนแห่งบุญเราด้วยไหมคะถ้าเป็นเงินของเขาเราก็ได้แต่เป็นเงินของเราของเราเขาก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ทําอ๋อแต่เราตั้งจิตอุทิศให้ทักไม่ได้ให้ขให้คนเป็นไม่ได้ให้แต่คนตายได้อ๋อค่ะยกเว้นถ้าเราไปบอกบุญแล้วเขาโมทนาเขาก็จะได้ใช่ไหมคะ ได้คนละส่วนกันไม่ใช่ไม่ใช่ได้จากเงินที่เราทําไปได้จากดีใจที่เห็นเราได้ทําบุญอ๋อค่ะเขาก็อยากจะได้บุญแบบที่เราได้เขาต้องทําเองหรือฝากเงินมาให้เราทําให้อ๋อค่ะคือก็ต้องเกิดความเสียสละอ๋อค่ะเสียสละแบ่งปันปล่อยวางเงินทองที่เขารักเขาหวง mm hmm. แล้ก็จะทําให้ใจเขาเบาใจ mm hmm. มีความสุขอย่างอย่างเวลาเราเห็นเพื่อนทาบุญเนี่ย เราคิดว่าเขาน่าจะทำได้มากกว่านี้เนี่ยแล้วเราไปบอกให้เขาทำเพิ่มแล้วเขาไม่ทำเพิ่มอย่างเงี้ยมันจะมีผลอะไรไหมคะก็ไม่มีก็ เ, เพียงแต่เราก็บอกเขาเหมือนเขาเขากินข้าวชามหนึ่งเราบอกกินอีกชามสิแล้วเขาไม่กินมันก็เรื่องของเขาแล้วอ๋คอครัแล้วก็ในส่วน เ, เรื่องของพระอรหันต์นะคะถ้าเกิดบุคคลที่บรรลุพระอรหันต์แล้วเนี่ยสามารถอยู่ในเพศคารวาดได้ไหมหรือว่าจะต้องบวช ก็ เ, เคยได้ยินได้ฟังได้อ่านมาว่าถ้าเป็นพระอาหารหันต์แล้วเนี่ยจะต้องบวชภายในเจ็ดวันไม่ฉะนั้นก็จะลำมรณภาพไม่รู้เป็นจริงไม่จริงหรอกอาจจะบวชช้า บ, บวชเร็วแต่พอเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่รู้จะอยู่กับครอบครัวได้ยังไงอยู่กับสังคมได้ยังไงเพราะว่าเป็นความเป็นคนคนละพวกนะส่วนใหญ่ก็จะไปบวชกันหรือไปอยู่แบบนักบวช คือจะไม่ใช้ชีวิตแบบผู้คองเลินไม่เสบรูปเสียงกลิ่นนสดไม่หาลาบยศสารเสรินอยต่างๆเหล่านี้กรณีที่บอกว่าถ้าเป็นแล้วไม่บวชภายในเจ็ดจะต้องถ้าไม่บวชภายในเจ็ดวันจะต้องตายก็เขาเอาตัวอย่างของพ่อพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้ามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยใกล้จะตายพระพุทธเจ้าก็เลยไปสอนให้เป็นพาระอรหันต์ พอเป็นบ้านนั้นได้เจ็ดวันก็ตายเขาก็เลยว่านี่พราอไม่ได้บวชถึงตายไม่ใช่มันจะตายอยู่แล้วออ อ, อีกคําถามหนึ่งก็คื อ, อสถานะของพระภิษุณีในประเทศไทยนะคะว่าถ้าเราแบบไปสนับสนุน เ, เหมือนกับว่าอุปถักภ์พระพิษุณีแต่เหมือนกับทางสายที่อยู่ในประเทศไทยเนะ่ยไม่ได้ยอมรับว่ามีแต่เป็นสายจากต่างประเทศ เป็นมหายาณอย่างนี้คะ่ะคือเราก็สนับสนุนคนที่มีศีลเท่านั้นเองเราจะเรียกว่าภิกษุนีภิกษุมันก็เป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเองก็เหมือนกับเราทำบุญกับคนที่แม่ชีนี่เขาก็มีศีลของเขามันก็เหมือนกันออค่ะไม่มีผลอะไรต่างกันเพื่สมมุติใช่ไหมคะอ่าคือการเป็นพระเป็นภิกษุนีนี่ เขามีกติกามีขั้นตอนที่จะทําให้เป็นกันออทีนี้ขั้นตอนที่จะทําให้เป็นพิกษณีในเมืองไทยมันไม่มีแล้ว อ, อืเขาก็เลยไปเป็นพิกษณีจากประเทศอื่น อ, อแล้วก็พอมาอยู่เมืองไทยเขาก็เรียกตัวเองว่าเขาเป็นพิกษณีก็ไม่มีใครห้ามมันไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมอะไรเอท่านั้นเองก็ ก็เหมืนทำบุญกับพระทําบุญกับพิชชนีทำบุญกับพิสุมันก็ได้บุญเหมือนกันอ่าทีนี้คาถามสุดท้ายก็คือเออมันมีการศึกษาที่ที่เกี่ยวกับทางโลกในการที่ทําให้มนุษย์มีความเข้าใจมนุษย์มากขึ้นมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากขึ้นถ้า อ, อ, อุปถัมให้กับพระพิสุพระภิษชนีเนี่ยได้เข้าไปอบรมเนี่ยมันมันจะขัดต่อพระวินัยหรือว่าการปฏิบัติธรรมหรือเปล่าคะ คือความรู้ทางโลกอ่มันเป็นความรู้ที่จะดึงให้ติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่เป็นความรู้ที่จะปลดปล่อยให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดพอมีความรู้แล้วก็อยากจะเอาความรู้นี้ไปทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อจะได้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนินก้วกายมันไม่ได้เป็นความรู้ที่จะพาให้ออกบวชนะมันต่างกัน ความรู้ทางธรรมนี้จะทําให้เราออกบวชออกไปปฏิบัติธรรมแต่ความรู้ทางโลกอจาทําให้เราอยากย่าออไปหาเงินหาทองไปเป็นเศรษฐีเป็นใหญ่เป็นโตกันอย่างบางองค์ท่านมีความประสงค์ที่จะเผยแพ่ธรรมะให้กว้างขวางขึ้นโดยพัฒนาแบบทักษะเหมือนการพูดการฟังอะไรให้ดียิ่งขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยฮะมันจะส่งเสริมในเรื่องการเผยแพร่ธรรมะหรือเปล่าคะไม่หรอก การเผยแผ่ธรรมะนี้ต้องเป็นเรื่องของธรรมชาติมันปเป็นไปตามธรรมชาติคือผู้ที่จะเผยแผ่ธรรมะนี้ต้องมีหนึ่งมีธรรมที่ใต้บรรลุจากการปฏิบัติสองมีมีนิสัยในการแสดงธรรมถ้าไม่มีนิสัยก็ท่านก็ไม่แสดงไม่ต้องไปเรียนเพราะของพวกนี้มันเรียนไม่ได้ค่ะกาบขับประคุตค่ะ คำถามจากทาง youtube นะคะจากคุณพานุวัตรเวลาบริกรรมพุทธโธใจมักจะไปอยู่ขอภัยค่ะเวลาบริกรรมพุทธโธใจมักจะไปดูที่การหายใจเข้าออกจะหยุดอย่างไรให้คิดแต่พุทธโธคะก็จะไปดูมัน ใ, ใกล้อยู่กับพุทธโธค่าคำถามจากคุณประสิทธิ์ค่ะกลับเวียนถามพระอาจารย์ กระผมนั่งสมาธิทุกวันทุกเช้าก่อนนอนแต่สองสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงเช้าจิตใจไม่ค่อยสงบเลยครับกระผมควรทำเช่นไรกราบขอความเมตตาพระอาจารย์โปรดชี้แนะครับรก็ต้องฝึกสติบ่อยๆให้มีสติมากๆมีตลอดเวลาพุโทโธไปตลอดเวลาคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคะ่ะ คำกล่าวที่ว่าถ้าพ่อเจ้าชู้กรรมตกมาอยู่ที่ลูกสาวเช่นลูกสาวจะเจอคนไม่ดีคู่ครองไม่ดีเนื่องจากพ่อทำกรรมไว้กับคนอื่นเรื่องนี้จึงหรือจริงหรือไม่คะไม่จริงหรอกนึกกรรมใครกรรมมันไม่มีการถ่ายทอดให้ต่อกันได้ คำถามจากคุณชอบเพชรค่ะคนเป็นโรคซึมเศร้าบรรลุธรรมได้หรือไม่เจ้าคะยากคนธรรมดายังยากเลยคนซึมเศร้านี่ก็ยิ่งยากใหญ่เหมือนคนคนที่พิการแล้วไปวิ่งวิ่งมาราธอนนี่ก็คนซึมเศร้าก็เหมือนคนพิการเนี่ยไม่มีสติมันเลยซึมเศร้ากนจะไปปฏิบัติธรรมนะี่ต้องมีสติสัมผัสชัญญาี่สมบูรณ์ คำถามจากร้านเจเล็กตลาดลงเกลือผู้หญิงออกบวชได้ยากกว่าผู้ชายมากโยมกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าถ้าเราอยากตั้งจิตอธิษฐานเกิดเป็นผู้ชายเพราะอยากออกบวชมีปัจจัยที่จะเกิดเป็นชายได้อย่างไรบ้างเจ้าคะก็ต้องอยู่แบบผู้ชายไปฝึกเป็นผู้ชายไหต้องฝึกนิสัยของผู้ชายต้องกล้าหาญต้องแข็งแกร่ง ้องแบบก็ดูผู้ชายก็อยู่ไงก็ลองหัดอยู่แบบเขา้าดูแล้วต่อไปก็จะเป็นผู้ชายได้ไม่มีแล้วน ะ, ะหมออยากจะทำนะส่งมาให้หมอหนะ่ยสการครับก็ตอนนี้เท่าที่ปฏิบัติก็พยายามมีสติ <c oughs> อยู่กับตัวครับเวลาทำงานทำอะไรแล้วก็ <c oughs> เวลามีพวกความทุกข์อะไรทั้งหลายที่เข้ามามีภาระอะไรเข้ามาเราก็พยายามตามเข้าไปดูนิดหนึ่งว่าเอ๊ะมันใจมันตามไปคิดสังขารไปคิดเรื่องอะไรแล้วก็พยายามไ ป, ไ ป, ไ, ปไปแก้ไปดักมันก็รู้สึกว่าปฏิบัติก็ ก, ก, ก็มันก็ปล่อยอวางไอ้ความคิดนั้นที่คอยจะไปติดได้เป็นวิธีปฏิบททัติที่ที่ถูกไหมครับ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะสติเรายังไม่ไม่ไม่ต่อเนื่องพอเพราะเผลอมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องใช้ปัญญาไปแกะออกครับใช้พิจารณาปล่อยวางว่าเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราคร่เราไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นเราเป็นเกี่ยวข้องกับเราครถ้าเราพิจารณาเห็นทำเห็นตายรักมันก็จะเห็นว่ามันเป็น ไม่ใช่เป็นเรื่องของเราครับเราก็จะปล่อยวางเขาได้ครับแต่ถ้าตออเรื่องต่อไปนะ่าจะต้องพยายามทําสติให้ดีขึ้นก็ปล่อย<ป>ังแต่ไม่ทุกแต่ตอนแรกใช่ไหมครับ อ, อ, อย่าปล่อยให้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ครับจะดีกว่าแต่ถ้าไปคิดก็ต้องหาใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องต่างๆว่าเป็นตายรักคเขาเกิดแล้วเดี๋ยวเขาก็ดับไปเองอืแก้ไม่แก้เดี๋ยวเขาก็ เขาก็ดับไปเองกา ร, รที่เราดูว่าออย่างบางทีถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเรามีความสงบอยู่จุดหนึ่งแล้วเราดูจากจุดนั้นแล้วว่ามันขยับออกไปนี่ก็เป็นวิธีที่ใช้ได้ไหมครับหมายถึงยังไงหมายถึงว่าถ้าเร า, ารู้ว่าภาวะถ้าเรานั่งแล้วเราสงบมันเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้เวลาใจมันไม่สงบบางทีอาจจะสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ไม่ชอบมันก็ทําให้เราไม่สงบแล้วค่อยไป ก็ต้องหยัดมันหยุดมันหยุดนันหยุดความคิดเนี่ยเพราะคำความคิดมังก็จะไปคิดถึงสิ่งที่ชอบหรืแไม่ชอบครับออถ้าหยุดไม่ได้ก็ต้องใช้พุทโธนึงหยุดมันครับขับมัคขับไปกราบธรรมสการค่ะเอคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้สนใจใส่ใจเรื่องทานศีลและภาวนาอะไรเลยอะค่ะเราก็ค่อนข้างจะเป็นทุกข์ใจกับเรื่องนี้ไม่รู้จะทำยังไงได้บ้างอะค่ะ ก็อย่าไปสนใจเขาเลมเนเรื่องของเขาเขาชอบกินก๋วยเตี๋ยวเราอยากให้เขากินข้าวผัดเราก็ทุกข์ใจขึ้นมาท่านีอก็เขาชอบอะไรก็ปล่อยเขาชอบไปยันเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาเป็นส้มเราอยากใช้ก็เป็นกล้วยได้หรือเปล่าอ่าไม่ได้ก็ปล่อยให้เขาเป็นส้มไปถ้าเราแผ่เมตตาให้เรื่อยๆจะดีขึ้นหมคะไมใช่มันไม่เกี่ยวเรื่องแผ่เมตตา แผ่เมตตาแผ่ยังไงคุณยังไม่รู้เลยสวดนะสวดแผ่เมตตามันไม่ใช่เป็นการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาก็คือการทําให้เขามีความสุขเข้าใจไหมอ่ไม่ใช่ไปนั่งสวดบทแผ่เมตตามันไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกันสวดไปยังไงเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นอืการแผ่สวดการสวดแผ่เมตตาไม่ใช่เป็นการแผ่เมตตาไม่ได้ทําให้ใครเขามีความสุขจากการสวดของเรา การแายเมตตาแปลว่าการเป็นมิตรกับคนนั้นคนนี้ให้ความสุขกับคนนั้นคนนี้นี่เราเป็นมิตรกันอยู่แล้วจะไปแผ่เมตตามันเสียเวลาทั้งนเราคงจะไปเป็นศัตรูกันเพราะเราจะไปบังคับให้เขามาสนใจในเรื่องที่เราอยากใช้ใเขาสนใจอันนี้ะเป็นสิ่งที่เราต้องไม่ต้องไม่ควรจะทําบอกเขาได้ชวนเขาได้แต่เมื่อเขาไม่สนใจก็ต้องปล่อยเขาไป ขอบคุณค่ะ okay. มีอีกไหมคำถามจากทางยู u b e ค่ะจิตวิปลาดมีโอกาสเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติทุกคนไหมครับและควรป้องกันแก้ไขอย่างไรครับก็ให้มีสตินะถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาหรือไม่มีครูบาอาจารย์คอยมา <c ười> แก้ไขให้ก็อาจจะหลงได้ คำถามจากทางยูทูบค่ะดูจากประเทศอังกฤษเจ้าค่ะอยากถามหลวงพ่อว่าสติกับสมาธิสิ่งไหนควรมาก่อนกันเจ้าค้าขอบพระคุณเจ้าค่ะอ๋อสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลอ่าเป็นสมาธิคือความนิ่งสงบของใจใจจะนิ่งสงบได้ต้องมีสติหยุดความคิดปรุงแต่งเห็นต้องเจริญสติก่อนพุโทโธพุโทโธเพื่อให้ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆ แล้วเดี๋ยวจิตก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิขึ้นมาต่อไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะดวงตาเห็นธรรมเป็นอย่างไรครับหลวงพ่อก็เห็นตายรักเห็นว่าทุกสิ่งทุอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราคำถามจากคุณจาตุพลค่ะมนุษย์ค่าสัตว์แล้วเป็นบาปแต่สัตว์นักล่า แต่สัตว์นักล่าฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารจะเป็นบาปหรือไม่ครับเป็นเป็นเหมือนกันสัตว์มันถึงมันทีติดอยู่ในนั้น่ะเกิดมาฆ่าเขาแล้วเดี๋ยว่ากลับไปเกิดใหม่เป็นเดรัจฉานใหม่คำถามจากคุณบีไหนคะ่ะ เมื่อวานในทีวีลูกชายอดีตนักการเมืองดังหน้าตาแบบไม่มีความสุขและไม่แข็งแรงเลยคิดว่ากฎแห่งกรรมของพ่อสามารถเป็นผลไม่ดีกับลูกได้ไหมคะไม่รู้เหมือนกันนะไม่อยากจะเกี่ยวข้องด้วยหมดแล้วโอเคก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิณิพิจนาไปปฏิบัติ